สูตรนึงนะจุลบบรรทจุลับบรรกะหรือจุลบบรรทกสูตรนะพระจุลบบรรกในคงจําประวัติท่านได้นะคือใครคือคนที่ท่องคาถาสองบรรทัดสเดือนไม่จำนะนะท่องคาถาสองบรรทัดสเดือนไม่จํานี่ โ, โหของเราไม่ถึงขนาดนั้นเนากมั้งเนาะแต่ไม่แน่นะอาจจะท่องวันเดียวท่องอยู่ครั้งเดียวแล้วก็อีกสเดือนแล้วค่อยมาไหว้อีกครั้งหนึ่งก็เลยบอกไม่จำนะนะ แต่นี้หมายความว่าท่องทุกวันเนี่ยนะจงทําหน้าลืมหลังจำหลังลืมหน้าไม่ใช่ว่าวาดหนึ่งรอบเสร็จแล้วอีกเดือนที่ห้าแล้วมาว่าอีกครั้งบอกหัวไม่ดีเลยเพราะงั้นจําไม่ได้ทาไมสติปัญญาของเรามันไม่ดีเป็นต้นโอ้ยถ้ามันก็เกินไปแล้วมา้าถ้าจําได้อะไรขนาดนั้นนี่พระจุลบันถกนี้ก็ด้วยกรรมเก่าของท่านเป็นปัจจัยทําให้ท่านท่องไม่จําเป็นต้นเนี่ยนะแต่ตอนหลังท่านก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็บรรลุมรรผล สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระจุลบันทกนั่ง ค, คูบลาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระจุลบันทกนั่ง ค, คูบลาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าในที่ไม่ไกล ลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุมีกายตั้งมั่นแล้วมีใจตั้งมั่นแล้วนะตั้งมั่นทางกายและใจเนี่ยนะยืนนั่งนอนก็มีสตินี้ไว้อยู่เนี่ยนะเธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายครั้นได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้ว เพ่งถึงสถานที่ที่ไม่เป็นที่มัจจุราชมองเห็นหรือเป็นที่ไม่เห็นมัจจุราช น, นะมัจจุราชมองไม่เห็นสินเนอะอาะมาดูคำอธิบายโดยลำดับดีกว่านะว่าพระจุลบรรทกเนี่ยนะโดยวหาร ค, คือคือพี่เนี่ยชื่อว่ามหาบรรทกเนี่ยนะเขาเรียกว่าเกิดในระหว่างทางนะ หรือที่อีกนายหนึ่งก็บอกเกิดในหนทางเปลี่ยวประวัติของสองพี่น้องก็มีอยู่ว่ า, ามีมีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งนะหนีตามคนใช้ไปพอหนีตามคนใช้ไปเนี่ยนะก็ไปอยู่ณตําตบลปลายแดนตอนหลังก็พอมีท้องมีคันเข้าก็อยากกลับมาบ้านมาคลอดที่ตระกูลของพ่อแม่เนี่ยนะสามีก็ไม่ยอมอย่าไปเลยตอนหลังเมียก็แอบหนีมา ผัวก็ติดตามก็ติดตามไประหว่างทางก็คลอดลูกระหว่างทางคล้ายๆนางปตาจารานี่แหละนะคล้ายนะแต่ไม่เหมือนออพอคลอดลูกก็ตั้งชื่อว่าบันทกเพราะว่าเกิดในหนทางเปลี่ยวก็บอกเออคลอดลูกแล้วก็ไม่รู้จะกลับไปหาพ่อแม่ทําไมก็เลยกลับไปอยู่ด้วยกันต่อไม่นานก็ได้ท้องอีกคนหนึ่งก็ชวนสามีไปกลับไปเยี่ยมบ้านตามเดิมก็ไม่ไปก็แอ บ, บชวนลูกนี้มาก็ไปคลอดในระหว่างทางอีกเพราะ ความที่คนแรกชื่อบรรทกอยู่แล้วก็ตั้งชื่อว่ามหาบรรทกคนที่สองเลยชื่อว่าจุลบรรทกนี่ก็ทั้งสองผัวเมียและลูกก็ชวนกันกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านเก่าก็าอยู่ไปเด็กมันโตขึ้นมันโตขึ้นไม่เคยพูดคําว่ า, ต า, า, ย า, ยาตากระยายเลยปู่กระย่าตากระยายไม่เคยพูดเลยคํานี้เพรา ะ, ะเห็นเด็กคนอื่นเขาเรียกปู่ย่าตายายกันทั้งนั้นตัวเองทําไมไม่มีปู่มีย่าไม่มีตามมียายอะไรกับเขาก็ไปถามแม่แม่ก็ แม่ก็พยายามบายเบียงหลบเลี่ยงในที่สุดเด็กก็ฉลาดนะมันแค่จนได้อะแค่บอกว่ า, าตากระยายของเธอมีอยู่แต่ว่าอยู่ที่เมืองนู้นอยู่ไกลอยู่ที่เมืองสาวัถีก็เลยบอกว่าจะกลับไปเยี่ยมตาเยี่ยมยายแม่ก็บอกอย่าไปเลยในที่สุดเด็กก็ชวนได้นะก็ไปบอกบอกสามีในที่สุดก็ชวนกันทั้งสองสามีภรรยาก็เอาลูกไปด้วย ทีนี้ไปเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เอาลูกที่หนีตามผู้ชายไปลักษณะนั้นสมควรฆ่าว่างั้นนี่ก็ก็พอหายโกรธหรือยังเนาไม่แน่ใจก็เลยส่งให้วานให้คนอื่นเนี่ยไปไปบอกว่าตอนเนี้ยลูกสาวของท่านเศรษฐีเนี่ยมาแล้วเนี่ยนะมากับพร้อมกับสามีแล้วก็สามีก็ท่าคนใช้ในบ้านนั่นแหละแล้วก็เด็กอีกสองคนเนี่ยนะมีล้านมาด้วยสองคน อคนที่เป็นตาเนี่ยฟังแล้วเครียดจัดเลยนะโกรธมากก็เลิกว่าในสังสารวัตเนี่ยนะใครที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันไม่มีหรอกทำไมลูกสาวคนนี้ทําไมมันทํากับเราเจ็บขนาดนี้นะแค้นมากก็เลยทํำยังไงเอาเงินไปให้มันพันหนึ่งก็แล้วกันบอกเอาหลานมาสองคนนั้นไม่ต้องมาให้เห็นหน้าไปหากินเอาดาบหน้ากันไปเถอะก็เลยเอาหลานมาเลี้ยงสองคนพอเอาหลานมาเลี้ยงสองคนเนี่ยเลี้ยงไปเรื่อยๆจนเติบโต หลานคนโตอวันหนึ่งตาก็ชวนไปนั่งฟังธรรมคนโตมหาบันทว ก, ก็บอกคุณตาผมขอบวชเธอเขาบอกอ้ยหลานเอ้ยโลกนี้เนี่ยนะหลานบวชคนเดียวมันประเสริฐกว่าคนทั้งโลกบวช เ, เหมือนกันเขาถามว่าทําไมเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนจะเสือกสายไล่ส่งให้หลานในบวชก็เพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็บอกไม่ใครบอกหลานลูกของใครล่ะ ลูกของเขาอะไรก็พูดถึงไอ้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยนะแหมคํานี้มันเจ็บใจมากที่บอกลูกสาวหนีไปตามผู้ชายเนี่ยลูกของของของคนนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าบวชได้ก็เป็นความดีของตาเหลือเกินหลานเอ้ยบวชเถอะก็เลยบวชบวชปฏิบัติเป็นพระอรหันต์เป็นเจ้าเป็นเอตทะฆ่าในการแต่งตั้งอาสนะนี่มีวันหนึ่งท่านก็ดีใจนะโอได้บรรลุมรคนคิดถึงน้องชายเอาน้องชายมาบวช ด, ด้วยก็ไปเอาพระจุลจุลบันทกมาบวชบอกโอ้อนุญาตทันที นะตาเนี่ยอนุมัติภายในะไม่ชักชาอลไรก็มาบวชทีนี้ไอ้กรรมเก่าเป็นปัจจัยนี่พอบวชปั๊บลืมหมดเลยเพอบวชปั๊บกลายเป็นคนที่ท่องอะไรก็ไม่จำอย่างเดียวก็ไม่จำพอไม่จำเนี่ผ่านไปสี่เดือนเนี่ยนะพี่ชายเขาบอกว่าเธอนี่เป็นคนบุญน้อยเธอเป็นคนอาภัพเธอไม่ได้บรรลุหอกเนคถาสองบรรทัดเธอยังจำไม่ได้จะปฏิธรรมสมณะ ก, กิจไปปฏิบัติอะไรได้ศึกไปไปศึกไปไม่ยอมไม่ยอมอไม่ยอมศึกทีนี้มีอยู่วันหนึ่ง พระเอ่อหมอชีวกนิมนต์ไปฉันที่บ้านนะนิมนต์ไปฉันที่บ้านเสร็จแล้วก็มหาปันทุกนี่เป็นเจ้าหน้าที่รับกินนิมนต์ด้วยเสร็จแล้วก็บอกรับให้รูปอื่นหมดเว้นแต่จุลบันทุกว่า ง, งั้นนะไม่รับให้เลยพอไม่รับให้พระจุลบปันทกพระจุลามทกพอได้ยินคํานั้นนี่เสียใจเลย บอกพี่ชายเราทําไมใจดํากับเราทําไมทํากับเราอย่างนี้เราก็อยากบวชเราไม่อยากศึกเลยเนี่ยนะก็เสียใจอยู่ทั้งคืนแต่ว่าพี่ชายไม่รับนิมนต์ให้เนี่ยแปลว่าตัดกันเด็ดขาดแล้วเสียใจเดี๋ยวกลับไปอยู่กับตาคืนก็ได้นะที่ถึงวุนตาจะกลับไปอยู่กับตาแต่เช้ามืดเนี่ยนะเตรียมจะไปศึกแต่เช้าเลยพระพุทธเจ้าก็ทราบพระองค์ก็ไปเดินจงกรมอยู่หน้าตากซุ้มประตูนะเดินจงกรมรออยู่ประจุลวรรธนถกไปเห็น ก็บอกว่าเธอจะไปไหนบอกจะไปศึกพระเจ้าข้าบอกงั้นทําไมจึงศึกบอกพี่ชายไล่ให้ศึกเอาเธอบวชในศาสนาใครในศาสนาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ไล่ให้ศึกนี่บอกงั้นอ้าวมา ม, ามาตรงนี้นะแล้วก็เอเน ร, รมิตผ้าให้ผืนหนึ่งไว้นั่งท่องระโชครนังเอาผ้าเปื้อนทุรีนะผ้าเปื่อนฝุนก็ท่องด้วยอุปนิสัยบุญเก่าของท่านเป็นปัจจัยท่านก็พิจารณาอยู่ไม่นานก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์นะนะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ในช่วงแล้วก็ พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสง์ไปที่บ้านของหมอชีวกหมดนะพระพุทธองค์ก็บอกว่ายังมีภิกษุเหลืออีกรูปหนึ่งที่วัดนะพระมหาบรรทกกบอกไม่มีพระเจ้าค่ะก็นึกว่าน้องตัวเองไปศึกไปแล้วนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกยังมีก็ส่งให้คนไปดูปจุรบรรทกก็เนรมิตให้มีพระภิกษุพันรูปเลย อนะบอกโอ้ยมีไม่ใช่รูปเดียวมีเป็นพันพระเจ้าข่าอย่งนั้นเขบอกเอาไปใหม่ไปชื่อพระจุลบรรทกเอาเอาพระจุลบรรทกมาทุกองตอบเหมือนกันหมดชื่อว่าจุลบรรทกหมดครั้งที่สาบอกคนไหนพูดก่อนให้ไปจับที่คนนั้นนะก็นนี้มลมาฉันในมลวันนั้นเนี่ยพระจุลบรรทกเป็นคนอนุโมทนากาถานะเป็นคนที่อนุโมทนากาถาให้หมอชีวกฟังนะพระพิโสรูปอื่นกลับหมดพระจุลบรรทกแสดงธรรมก็เป็นผู้ที่แตกฉาน อพยญญาหกปฏิสัมพิทาสเป็นมหาสาวกเนี่ยนะเป็นสาวกผู้ใหญ่ได้เอตทัคคะท่านนี้เอตทัคคะสองตำแหน่งนะตอนต้นเนี่ยไม่ไมธรรมดาไอตอนต้นนี่ใครจะเชื่อนะสี่เดือนผ่านไปนี่แทบจะไล่ศึกเลยนะไม่ใช่แทบแนละ้วถูกไล่ศึกเลยอนะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เก่งมากพระ อ, องค์ก็สถาปนาท่านไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะสองตำแหน่งด้วยพระดํารัสว่าดูความที่สูงทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราผู้เนรมิตกายสำเร็จด้วยใจคือมโนมยิทิและฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางใจเนี่ยนะจุระบรรทกเป็นเอตัคะ <c oughs> คือพระพี่ชายเนี่ยนะชำนาญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสัญญา น้องชายเนี่ยเปลี่ยนแปลงทางใจคือน้องชายเนี่ยแตกเชี่ยวชาญในเรื่องรูปประชานพี่ชายนี่เชี่ยวชาญในอรูปประชานนะนภายหลังพัฒวันหนึ่งท่านกลับจากบินทบาตนั่งพักผ่อนในที่พักกลางวันของตนยับยั้งอยู่ด้วยสมาบัติต่างๆตลอดวันก็ธรรมดาผู้ที่มีชาญนะอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากชาตเป็นต้น พอในเวลาเย็นเมื่อเห็นพวกอุบาสกยังไม่มาฟังธรรมเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังท่ามกลางวิหารประทับนั่งในพระคันธกุตีก็คิดว่านี้ไม่ใช่การที่จะไปอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจึงนั่งขัดสมาธิณส่วนสุดข้างหนึ่งหน้ามุขพระคันธกตุตีไปนั่งเจริญกรรมฐานหน้ากุติพระพุทธเจ้า น, นะนหนดเวลาแล้วก็นั่งเข้าพระสมาบัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความที่ท่านพระจุลบันทกตั้งกายและจิตเอาไว้โดยชอบก็เปล่งอุทานประกาศความปรากฏในการบรรลุคุณวิเศษอันมีอนุปาทาปริณิพานเป็นที่สุดคือดับขันปริณิพานเนี่ยนะเป็นที่สุดของภิกษุแม้อื่นผู้มีกายสงบมีสติปรากฏ ในอิรยาบททั้งปวงก็คือเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์มีใจตั้งมัน่นบุคคลที่ปฏิบัติได้ตามนี้ก็ดับขันปรินิพานเป็นที่สุดรอบอธิบายคำว่ามีกายตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาจากทิเตนะกายเยนะเนี่ยนะมีกายตั้งมัน่นคือผู้มีกายทุกส่วนตั้งอยู่โดยความไม่หวั่นไหวกล่าวคือความเป็นผู้ไม่มีวิการโดยสังเขตว่า คำว่ากายเนี่ยนะท่านแบ่งออกเป็นกายอยู่3อย่างด้วยกัน 1. โจปนากาย 2. ปงภาษาทกายแล้วก็กรัชากายเนี่ยนะโจปนากายภาษาทกายแล้วก็กรัชากายโจปนากายที่ชื่อตั้งไว้ชอบก็เพรา ะ, ะเพราะละคือไม่กระทำอสังวนทางกายเช่นโจปนากายคือคนที่ไม่สังวนโจปนากายก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกาลมั น, นเรียกว่า พฤติกรรมทางกายนะพฤติกรรมทางกายเรียกว่าโจประนัจโจประนักกายผู้ที่สํารวมกายก็คือมาสํารวมโดยการไม่ทําชั่วไม่ฆ่าไม่ลักและก็ไม่ประพฤติผิดในกามเป็นต้นต่อไปก็ภาษาธากายคือมีกายอันเป็นไปในทวานทั้ง 5, ห้ามันนี้หมายถึงภาษาธากายเนี่ยนะหรือหรือกายตัวนี้หมายถึงจากขุนซีโสตินซคานินซีและชิวเห็นซี กายอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์หก็เรียกว่ากายเหมือนกันเชื่อว่าตั้งไว้ด้วยดีเพราะการทาอินทรีย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดพยศหรือก ร, รัชักาย ก, รรกาย็คือร่างกายกระชกายคือร่างกายเชื่อว่าตั้งอยู่โดยไม่แปรผันเพราะไม่มีการขนองมือเป็นต้นไม่ใช่นั่งยุ่ยยเป็นต้นนะเพราะสำรวมมือและเท้าได้แล้วอันนี้ประกาศคนที่สำรวมทางกายได้ดีเนี่ยนะก็คือคนที่มีศีล องแสดงถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลของเธอเพราะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลต่อไปที่เตนะเจตสาถึงพร้อมด้วยสมาธิหรือความตั้งมั่นแห่งจิตจริงอยู่สมาธิท่านตั้งคือสมาธิท่านเรียกว่าความตั้งมั่นแห่งจิตเพราะความที่จิตเป็นเอกคะะตาะนะจิตเป็นเอกคตาก็ด้วยอํานาจของสมถะ หรือจิตเป็นเอกคตาด้วยอํา น, นาจวิปัสนาองค์ชานี้มีอะไรนะพิโตกวิจารปีติสุขเอกคตาใช่เอกคตานี่เป็นคําที่ห้าพันพิตกวิจารณ์ปีตินี้สําคัญนะนะถ้าไม่มีวิโตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาจับตั้งได้หรือไม่ได้พั้นเอกคตานี่เขานิยมแปลว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งยิงก็แปลโดยศัพท์แพาว่าความที่จิตเป็นหนึ่งหรือเอกค ะ, ะเนี่ยเอกค ะ, ะความที่จิตเป็น เป็นเลิศหรือเป็นเอกเป็นเดียวเป็นอันเดียวเนี่ยนะไม่กระจัดกระจายานะจิตไม่กระจัดกระจายด้วยอํานาจสมถะและวิปัสนาจิตชื่ อ, อจิตเป็นอันชื่อว่าตั้งอยู่โดยเข้าถึงภาวะที่จิตเป็นเป็นเอกอะเอกเป็นเอกผุดขึ้นไม่ใช่ตั้งอยู่โดยประการอื่นคือจิตตั้งอยู่โดยความที่เป็นไปกับสมาธิระดับปฐมฌานขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้หมายถึงจิตตาวิสุธทธิใช่ไหม ตั้งกายไว้ดีเป็นศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์เรื่องศีลความตั้งจิตไว้ดีก็เป็นจิตวิสุทธิความตั้งจิตไว้มั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อแสดงว่าการตั้งอยู่คือการตั้งมั่นซึ่งกายและจิตตามที่กล่าวแล้วหมายความว่ามีความบริสุทธิ์ทางกายและจิตจําปรารถนาทุกๆเวลาและทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนนะนะ บริสุทธิ์ทางกายและใจตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอันนี้คือพระอริยะที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านเป็นอย่างนี้นะเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจไม่ว่าจะยืนเดินจะนั่งจะนอนก็ตามก็คือในอริยาบทสี่นะตรงนี้ยกอะไรยืนนั่งนอนท่านบอกว่ารวมเอาจงกรมด้วยนะรวมเอาเดินด้วยบทว่าเอตังสติงพิขุอธิฐานโนความว่า ภิกษุตั้งไว้คือดำรงไว้ซึ่งจิตให้คล่องแคล่วให้นุ่มนวลควรแก่การงานโดยชอบด้วยอำนาจการสงบกายและจิตด้วยการอธิษฐานถึงความสุขอันหาโทษมิได้ที่ได้มาเพราะกระทำกายและจิตไม่ให้กระสับกระสายโดยการสงบกายและจิตยอยา่างหยาบไม่ต้องกล่าวถึงผู้มีสมาจารย์อันบริสุทธิ์จึงเพิ่มพูนกรรมฐานและ ให้กรรมฐานถึงที่สุดด้วยสติใดพิสุควบคุมสตินั้นนั่นแลควบคุมในคำว่ารักษาสตินะให้สติเป็นไปอย่างต่อเนื่องสติที่มีอุปการะมากทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งการประกอบกรรมฐานให้สติเนี่ยเป็นไปในกิจนั้นๆคือชําระศีลให้หมดจดจนถึงบรรลุคุณวิเศษคือมรรคผลที่น่าสังเกตนะว่าผู้ที่เขาปฏิบัตินี่นะให้จิตคล่องแคล่วนุ่มนวลควรแก่การงานและ โดยชอบใช่ไหมซึ่งจิตที่อ่อนควรแก่การงานคล่องแคล่วโดยชอบเป็นจิตใจไม่แข็งไม่กระด้างนะสังเกตดูหลายหลายครั้งของเราเนี่ยนะจิตเนี่ยมันมันมันไม่คู่ควรจริงๆเลยนะจิตมันบางคนเนี่ยอะไรนะไม่พร้อมที่จะอ่านพระไตรปิฎกจิตไม่พร้อมที่จะพิจารณาพระธรรมจิตไม่พร้อมที่จะเจริญกุศลเนี่ยเนระียกว่าจิตที่มันแข็งจิตที่มันกระด้าง ใจที่ไม่ได้รับการฟอกอะนะเหมือนผ้าที่ไม่เคยซักเลยสภาพจิตของโดยส่วนหนึ่งเนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกอบรมมานี่เป็นอย่างนั้นถามว่าถ้าหากว่าใจเราไม่สบายใจเราแข็งหยาบกระด้างในหลายๆครั้งในวันหนึ่งเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเหตุไกลในอดีตเราไม่เคยฝึกฝนมามันประกาศถึงว่าตัวมันเองไม่เคยถูกฝึกมาเลย นะเหมือนกับว่าอย่างใครที่ไม่เคยได้รับการฝึกมาเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พยศอีกแล้วใช่ไหมเป็นไปตามกิริยาที่เคยเป็นมั่นใจที่ไม่เคยฝึกก็เป็นอย่างนั้นเท่ากับมาเตือนว่าควรฝึกได้แล้วนะเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกจากายใจะก็ศีลสมถะและวิปัสนาพยายามให้จิตเป็นไปกับศีลสมถะและวิปัสนาให้ได้ บทว่าและเพถปภะ ป, ภปริยังวิเศษสังความว่าท่านมีใจอันสติควบคุมแล้วอย่างนี้เจริญพ่อภูณทําให้เพิ่มขึ้นซึ่งกรรมฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพึงได้คุณวิเศษต่างโดยคุณวิเศษที่ยิ่งและยิ่งกว่าที่มีในเบื้องต้นและเบื้องปลายนะทั้งในส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลายเบื้องต้นคืออะไรโลกิยะเบื้องปลายก็คืออรหันต์นั่นแหละ นี่มาดูนะว่าคําว่าคุณวิเศษในเบื้องต้นและเบื้องปลายมีสองอย่าง น, นะคือสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะในสองอย่างนั้นคุณวิเศษที่เป็นไปด้วยอํานาจสมถะได้แก่ความเป็นผู้ชํานาญตั้งแต่เกิดขึ้นนิมิตจนถึงเนวสัญญานาสัญญาญตนะคุณวิเศษส่วนภาวนาที่เป็นไปอย่างนั้นได้แก่คุณวิเศษมีส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลาย ตั้งแต่การเจริญกรรมฐานจนได้เนวสัญญาณาสัญญาญตนะอันนี้แหละเรียกว่าสมถะเป็นคุณวิเศษเมื่อว่าด้วยอํานาจวิปัสนาเนี่ยนะคุณวิเศษที่เป็นไปด้วยอํานาจวิปัสนาก็คือคุณวิเศษส่วนภาวนาที่เป็นไปโดยกําหนดรู ป, ปรธรรมของผู้ยึดมั่นนะนะยึดมั่นโดยยกรูปขึ้นเป็นประธานฝ่ายผู้ยึดมั่นนอกนี้คือกําหนดอารูปเนี่ยนะก็คือพิจารณารูปนามจนบรรลุ เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าบรรลุคุณวิเศษในเบื้องต้นและเบื้องปลายฉนั้นคุณวิเศษที่นี้ก็คือสมถะและวิปัสสนานั่นแหละบทว่าลัทธานะปุภาปริยังวิเศษสังความว่าได้บรรลุบารมีอย่างสูงสุดคือพระอรหันต์ในคุณวิเศษอันเป็นส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลาย น, นะเบื้องต้นเบื้องปลายคือสมถะวิปัสสนาถึงคุณวิเศษที่สูงสุดคืออรหันตผล บทว่าอาทัทสนังมัจจุราชัสสะคัดเฉความว่าพึงถึงสถานที่อันมัจจุไม่เห็นคือสถานที่ไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นโคจรของมัจจุเพราะก้าวล่วงพบสามอันเป็นอารมณ์ของความตายหรือเป็นโคจรเป็นสถานที่ยังต้องตาย น, นะพบสามเนี่ยเป็นสถานที่ที่ยังต้องตายเป็นธรรมดาส่วนพระนิพพานเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่มัจจุ หรือก้าวล่วงมัจจุเพราะไอ้ส่วนคําว่ามัจจุเนี่ยเพราะอะไรเพราะครอบงําสัรพสัตว์ด้วยอำนาจการตัดขาดชีวิตดินซีอนนะัตัดขาดชีวิตส่วนพระนิพพานนั้นพ้นจากมัจจุเพราะไม่เนื่องจากมัจจุอขออภัยไม่เนื่องด้วยวัจจุเพราะพ้นจากมัจจุโดยประการทั้งปวงนั้นคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะคือมีกายตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่น นะกายตั้งมั่นในอิริยาบทสีในการทุกเมื่อให้สติเป็นไปได้คุณวิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายในเบื้องต้นเบื้องปลายคือสมถะและวิปัสนาพึงถึงสถานที่ที่มัจจุราชไม่เห็นคือพระนิพพานนะพระนิพพานมันท่าสรุปว่าปฏิบัติอยู่ในสี่ระวิสุทธิจิตตวิสุทธนะิวิสุทธิเหล่านี้นะรวมทั้งปัญญาด้วยนะทั้งอิริยาบทสี่ในการทุกเมื่อก็จะบรรลุพระนิพพาน อันนี้ก็เป็นข้อความในจูรบันทกสูตรที่สิบเนี่ยนะก็จบไปจบวักที่ห้าแสดงว่าเรียนผ่านมาแล้วห้าสิบสูตรเก่งมากอนุโมทนาด้วย